ไว้อีกประการหนึ่งเราวิตกนั่นคือความตรึกหรือความคิดนึกคู่กับนิวรณที่แปลคู่กับวิจารที่แปลว่าความตรองและก็เป็นอกุศลวิตกวิตกที่เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลวิตกมีตกที่เป็นกุศลก็มีแม่ในการปฏิบัติกิจภาวนาหรือกรรมฐานก็ต้องใช้วิตกคือความที่รึกนึก ถึงกรรมฐานที่ปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการยกกิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานหรือยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นสู่จิตต้องมีตกคือความตรึกนึกคิดซึ่งเป็นความกังนดด้วยสติขึ้นเป็นเบื้องตน้นแต่ว่า ถ้าเป็นอกุศลลงไปตกแล้วก็ตรัสสอนให้รำงับเสียดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้วสำหรับอีกปริยายหนึ่งนั้นตรัสสอนภิกษุแต่ก็รวมถึงผู้ปฏิบัติประกอบกระทํา จิตสมาธิทั้งปวงด้วยวันในการกระทํากรรมฐานนันกรรมฐานที่ตั้งจิตสติกำหนดทมนั่นเรียกวันนิมิตที่แปลว่ากำหนดสิ่งที่กำหนดก็เรียกวันนิมิตความกำหนด ก็เรียกว่านิมิตเพราะฉะนั้นในการทำกรรมฐานจึงต้องมีนิมิตคือเครื่องกำหนดของใจหรือความกำหนดใจในเครื่องกำหนดนั้นเช่นว่าเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทานาจิตธรรม หรือปฏิบัติตามข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระสูตรใหญ่ยู่ว่าดยสติปัฏฐานดังกล่าวเริ่มด้วยหมวดกายอันตั้งตนแต่อาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก ต่อมาก็กำหนดอิริยาบททั้งสี่ต่อมาก็ให้กำหนดอิริยาบทประกอบทั้งหลายเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเป็นต้นให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบทที่เคลื่อนไหวนั้นๆ และต่อมาก็กำหนดอาการสาสิบอ็ดหรือสาสิบสองที่มีอยู่ในกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังอุ้มอยู่โดยรอบ และต่อมาก็ตรัสสอนให้กำหนดภาตทั้งสี่ในกายนี้่ังนี้เป็นต้นข้อที่ตั้งจิตกำหนดเหล่านี้ก็ให้กำหนดข้อใดข้อหนึ่งในคราวหนึ่งเรียกว่าเป็นดิมิตแปลว่าเครื่องกำหนดของจิตใจความกำหนดในเครื่องกำหนดนี้ก็เรียกว่าดิมิต เพราะฉะนั้นในเวลาที่ตั้งใจทำกรรมฐานกำหนดนิมิตของกรรมฐานดังที่กล่าวมานี้คนใดคหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าจิตไม่อยู่ในบทกรรมฐานไม่อยู่ในนิมิตของกรรมฐานแต่ว่า มีวิตกคือความรึกนึกคิดไปในอารมณ์ที่ประกอบด้วยชันทะความพอใจชอบใจหรือด้วยราคะความติดใจยินดีโลภความโลภอยากได้ก็ดีตลึกนึกคิดไป ด้วยพยาบาทคือความตรึกนึกคิดไปถึงสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยพยาบาทคือความกระทบกระทั่งขัดเคืองโกรธแค้นจนถึงมูไม่ไหม้ล้างผลาญก็ดีตรึกนึกคิดไป ดยอำนาจโมหะคือความหลงก็ดีในสัตว์และสังขารทั้งหลายคำว่าในสัตว์และสังขารทั้งหลายนี่สัตว์ก็หมายถึงบุคคลก็ได้ดิฎฐานก็ได้คือเป็นสิ่งที่มีใจครองสังขารก็คือ สิ่งทั้งหลายเช่นบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่ไม่มีใจครองหากว่าจิตเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้ส่งจิตไปสู่อารมณ์อื่นหรือสู่นิมิตอื่น จากนิมิตกรรมฐานนี้กำลังปฏิบัติอยู่นั่นเพื่อที่จะได้ระงับมีตกคือความฝึกนึกคิดนั้นเสียและอารมณ์อื่นหรือนิมิตอื่นที่ตัดสอนให้ส่งจิตไปนั่นพระอาจารย์ไดอธิบายว่าจะเป็น ลิมิตกรรมฐานข้อใดก็ขึ้นอยู่กับวิตกของจิตในขณะนั้นคือถ้าหากว่าวิตกคือความตรึกนึกคิดของจิตไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยฉันทะความชอบ หรือราคะความติดใจ ย, ยินดีโลภะความโลภอย่างได้ถ้าเป็นไปในสัตว์คือบุคคล น, นั้นนั้นหรือแม้ในสัตว์ในฌานนั้นนั้นก็ให้ใชก้การสุภาสัญญาความสำคัญหมายในบุคคล น, นั้นนั้น ว่าไม่งามโดยพิจารณาว่ากายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆเป็นอันมากถ้าเป็นความชอบในสังขารคืนในสิ่งทั้งหลายจะเป็นบ้านเรือนแก้แวแหวนเงินทอง หรือสิ่งใดๆก็ตามก็ให้พิจารณาด้วยอนิจจสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับหรือว่าด้วยอนัตตสัญญาความสำคัญหมายว่า เป็นเหมือนอย่างของขอยืมไม่ใช่เป็นของของตนคือแม้จะได้มาก็ไม่ใช่ได้มาเป็นของตนเหมือนจะเป็นของขอยืมเข้ามาซึ่งจะต้องส่งคืนไม่มีเจ้าของคือไม่มีตัวเราเป็นเจ้าของเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นเหตุให้ระงับ ความตรึกนึกคิดออกไปด้วยความสำคัญหมายวางวดงามหรือว่าให้เป็นของของเราดังนี้ได้และถ้าวิตกตรึกนึกคิดไปโดยอำนาจของความชอบในวัตถุทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติ ดังนี้ท่านในสัตว์ทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติโดยอสุภสัญญาดังกล่าวข้างตน้นถ้าปฏิบัติดังนี้ความปรึกนึกคิดไปด้วยความชอบนั่นก็จะสงบและเมื่อสงบก็กลับเข้ามาสู่กรรมฐานที่ตั้งไว้เดิมเช่นหากกำลังปฏิบัติธรรม อาณาปานสติอยู่ก็กลับมาทำอาณาปานสติตามเดิมอันหนึง่งถ้าปรึกนึกคิดไปในสัตว์แนสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจของโทสะคือความกระทบกระแทงขัดใจโกรธเคืองจนถึงพยาบาท มุงามาลายไม้ลังแพรนังกล่าวถ้าหากว่าเป็นไปในสัตว์เช่นในบุคคลนั้นๆก็ให้กำหนดเมตตามิตนิมิตเครื่องกำหนดคือเมตตาให้เมตตาออกไปให้บุคคลนั้นๆเป็นสุขถ้า มิตกคือความกรึกนึกคิดด้วยโทสะนั้นเป็นไปในสังขารเห็นในวัตถุทั้งหลายเห็นว่าถูกน้ำตำ่ำก็โกรธน้ำเหยียบระเบื้องพมบาดเท้าหรือเจ็บเท้า ก็โกรดกระเบื้องเหยียบหินกรวดเจ็บเท้าก็โก ร, ด ก, กรดก็โกรดก้อนหินดังนี้เป็นตน้นก็ให้พิจารณาธาตุกรรมฐานคือพิจารณาโดยความเป็นธาตุว่านั่นเป็นแต่สักวัฏฐานดินน้ำไฟลมอากาศแม้ร่างกายของตนเอง ก็ประกอบคุนในธาตุอินน้ำไฟลมอากาศเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปโกรธธาตุทั้งหลายและเมื่อพิจารณาดังนี้โทสะก็จะสงบอันหนึ่งหากปลึกนึกคิดไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจของความหลงเพื่อที่จะแก้ความหลงหากว่า แก้ด้วยปัญญาของตนไม่ได้ตนยังไม่มีปัญญาที่จะคิดแก้ความหลงก็ให้เข้าไปสู่สำนักอาจารย์เรียนกับอาจารย์ไตาถามอาจารย์วางธรรมโดยการและพิจารณาวินิจฉัยธรรมะที่เป็นฐานะ และไม่เป็นฐานะคือตามเหตุและผลเพื่อให้ได้ปัญญาที่จะแก้ความหลงนั่นเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ความหลงนั่นดับลงไปได้และเมื่อดับวิตกที่ประกอบด้วยโทสะ ประกอบด้วยโมหะคือความหลงหลงได้แล้วก็กลับเข้ามาปฏิบัติในกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้เดิมต่อไปเพราะว่าต้องการให้เปลี่ยนจากนิมิตนุกรรมฐานเดิมที่ปฏิบัติอยู่ไปสู่กรรมฐานอื่นใหม่ ในเมื่ออักุศ ล, ลวิตกความเหลที่เป็นอักุลุลบังเกิดขึ้นดังกล่าวก็เพื่อที่จะได้ดับอักุศ ล, ลวิตกที่บังเกิดขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อดับได้แล้วจึงกลับเข้ามาสู่กรรมาฐานที่ตั้งไว้เดิมซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติเริ่มต้น หรือที่ถือเป็นขออปฏิบัติประจำอธิบายอย่างนี้เป็นการอธิบายที่เป็นไปแก่บุคคลที่กำลังปฏิบัติกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่ตนตั้งไว้อยู่ก่อนแล้วและเกิดเกอุศนลมิตกขึ้นมาขัดขวาง เป็นกามวิตกบ้างปยาบาตวิตกบ้างมีหิงสาวิตกบ้างหรือว่าเป็นชันทะราคะโลภะหรือโทสะหรือโมหะจึงปเปลี่ยนนิมิตของกรรมฐานใหม่คือหยุดกรรมฐานที่กำลังปฏิบัติไว้เดิมก่อน แล้วไปแก้จิตที่เกิดอาคุณวิตกนี้ขึ้นเสียก่อนเมื่อดับได้แล้วจึงกลับไปสู่กรรมฐานข้อที่ตั้งเอาไว้นี่เป็นวิธีปฏิบัติในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้และเมื่อเปลี่ยนกรรมฐานให้ใหม่หลังนี้แล้ว อกุศลวิตกก็ยังไม่สงบแล้วพุทธเจ้าก็จะตรัสสอนต่อไปให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นขัดขวางนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีโทษดับปัญญาไม่เจริญปัญญา เป็นฝักวยแห่งความคับแค้นเดือดร้อนไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและดับทุกข์และเมื่อเห็นโทษ ด, ดังนี้ก็จะทำให้เกิดความนายเกิดความระอาเกิดความเกลียดชังอกุศลนบิตตกที่มันเกิดขึ้น จิตก็จะสงบจากขุสรุปิตกนั่นและเมื่อสงบแล้วก็กลับเข้าไปสู่กรรมฐานข้อเดิมที่ได้ตั้งเอาไว้เปรียบเหมือนอย่างว่าขยะขย้แยงรังเกียจศพของงูของสุนัข หรือของมนุษย์ที่ผูกไว้ที่คอต้องการที่จะเหวี่ยงทิ้งไปเสียให้พ้นคลองตน ด, ดฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของเอาคุณนตกบังเกิดความรังเกียจต้องการจะสลัดทิ้งทิ้งดังนี้ก็จะสลัดทิ้งเสียได้จะสงบลงได้ส่วนข้อแรก ที่ตัดสอนไม่เป็นประการแรกให้เปลี่ยนนิมิตของสมาธิใหม่คือให้พักนิมิตของสมาธิที่ทำไว้แต่เดิมก่อนและไปกำหนดนิมิตของสมาธิอีกอันหนึ่งอื่น แทนดังที่ได้อธิบายแล้วนั้นนั่นก็อุปมาเหมือนอย่างว่าช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ที่ตอกลิ่มเก่าที่ติดอยู่บนกระดานแล้วอันเป็นลิ่มที่หยาบที่ไม่ดีด้วยลิ่มใหม่อันเป็นลิ่มที่ดี ลงไปแทนให้ริมเก่านั้นหลุดออกไปริมใหม่เข้าไปแทนที่ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าใชา้วิตกในนิมิตของสมาธิใหม่ตอกนิมิตของสมาธิเก่าโดยตรงคือว่าตอกอากุศลนวิตกนั่นแหละ ให้หลุดไปจากจิตเพราะอากุศลขมอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นนั่นก็เปรียบเหมือนเป็นริ่มสลักที่ตอกอยู่ในแผ่นกระดานคือจิตใจไม่หลุดไปก็ต้องเอาริ่มใหม่มาตอกเพราะว่าสมาธิที่ปฏิบัติอยู่เดิมนั้นยังไม่อาจที่จะสลัดอกุศลลวิตกได้เพราะไม่ได้คู่ปรับกันโดยตรง จึงต้องใช้ลิมิตของสมาธิที่เป็นคู่ปรับคนโดยตรงดังที่แสดงแล้วในข้อหนึ่งและเมื่อสำเร็จก็มาใช้ข้อสองคือพิจารณาเห็นโทษเมื่อมาใช้ในข้อสองพิจารณาให้เห็นโทษไม่สำเร็จอีกก็ตรัส ใ, ใช้ให้ตรัสสอนให้ใช้ข้อสาม คือให้ไม่ตั้งสติเ ล, ลึกถึงไม่ใส่ใจถึงอกุศลทีตกเหล่านั้นคือถอนใจเสียออกจากอกุศลตกเหล่านั้นเบี่ยงใบใจออกเสียจากอกุศลทีตกเหล่านั้น เรียบเหมือนอย่างว่าเมื่อมองดูสิ่งที่มาประจบกับสายตาจมเพาะหน้าเมื่อไม่ชอบใจในรูปที่มาประจบจมเพาะหน้านั้นไม่อยากดูก็หลับตาเสียหรือว่า เบนหน้าไปเสียในที่อื่นไม่มองเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้อกุศลไม่ตกที่เบี่ยงบายใจออกไปเสียได้นั้นต้องสงบลงไปแต่ว่าในข้อนี้แม้ว่าจะเบีเ่ยงเบนหน้าไปเสียจากสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้า ไม่เห็นสิ่งเำเพาะหน้าแล้วถ้าไม่หลับตาเสียก็จะต้องเห็นสิ่งอื่นจึงหมายความว่าไปคิดถึงสิ่งอื่นแทนก็ได้ดังที่พระอาจารย์อธิบายไว้ว่าวิธีที่จะเบนใจออกไปจะอุผู้สนุตกดังที่รัดต้อนไมน้ในข้อนี้นั่นกจะทำได้ด้วยวิธีต่างๆ กนดวยวิธีที่มาจัดโน้นจัดนี่ทำโน้นทำนี่ด้วยกายก็ได้ให้ใจิตใจเบนไปเสียจากกุศลวิตกซึ่งวิธีนี้ก็ได้มีแสดงถึงว่าพระอาจารย์ ได้เคยทำเือนส ม, มันเนินรูปหนึ่งมาแล้วซึ่งเป็นส ม, มันเนินที่บวชเข้ามาเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้บรรลุถึงผลที่สุดและต่อมาส ม, มันเนินนั้นก็เกิดเบื่อนหน่ายใครที่จะลาสิกขาไปเสียอาจารย์ยังใช้วิธีที่นำตัวเข้าไปอยู่ ในถ้ำและให้สมณเณรสร้างเสนาสะนะสนำหรับอยู่ด้วยตนเองให้ไปทำการทำงานและเมื่อสร้างเสนาสนะเสร็จแล้วพระเถรก็ให้สมณเณรอยู่ในเสนาสนะที่สร้างขึ้นนั้นเองท่านี้สมณเณรก็กลับมาจับทําสมาธิไปใหม่ก็ในความปลอดโปร่งของจิต จากอุสนุิตกทั้งหลายเราได้เบนใจมาทำการทำงานทำาน่นทำนี่เสียจนหลุดออกจากอุปสนุปิตกคือความเบื่อหน่าที่มันเกิดขึ้นนั้นก็มาหลุถึงความสาเร็จได้ดังนี้เป็นวิธีที่สามเพราะฉะนันงรู้พรธเจ้าจึงได้ตัด ส, สอนไว ถึงวิธีปฏิบัติในการทำสมาธิดังนี้และอาจจะถามว่าจะทำสมาธิขอติดตั้งไว้จะเดิมต่อไปให้จริงๆไม่ได้หรือก็ตอบว่าก็อาจได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะดับอกุญแจตกได้ยากกว่า เหมือนการดับไฟที่มันเกิดขึ้นจะดับด้วยฟืนดับด้วยไม้อะไรก็ดับได้คือไม้ฟาดาฟืนฟาดไฟเอาไม้ฟาดไฟเอาผ้าฟาดไฟอะไรเป็นต้นก็อาจจะดับไฟได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนยังดับด้วยน้ำดับด้วยน้ำสะดวก ไปจะดับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการจะใช้กรรมฐานที่ไม่ใช่คู่ปรับกันดับนั้นเก็นกรรมฐานที่ตั้งทําไปเดิมหากว่าไม่ใช่คู่ปรับกันเก่นอาณาปานสติเป็นต้นนั้นก็จะดับได้เหมือนกันแต่ว่าดับยากเพราะฉะนั้นก็ให้พักกรรมฐานทํำไ้เดิมนั่นก่อนแล้วมากําหนดนิมิตกรรมฐานใหม่ จากกรรมฐานเดิมนั้นดังที่ตัดสอนมาในข้อหนึ่งข้อสองและข้อสานี้ก็จะดับอุปสรรคทุกตกได้สะดวกเหมือนอย่างไฟบางเกิดขึ้นก็เอาน้ำมาเทดับก็จะดับได้ง่ายกว่าแล้วเมื่อดับแล้วงกลับไปทำกรรมฐานเดิมต่อไปใหม่ ต่อจากนี้เขาตั้ ง, ง, งใจพงสูตรและตั้งใจทงความสงบสืบ ต, ต่อไป